ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงให้เชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันคือในชั่วชีวิตนี้สัมปรายิกัตถประโยชน์ประโยชน์ในภพหน้าคือสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อสวรรค์ปรมัตถะประโยชน์ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน บำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อบรรลุมรคผลนิพพานท่านวางหลักเกณฑ์ของท่านไว้อย่างนี้แต่เราไม่เข้าใจคำสอนของท่านเองที่ว่าไม่เข้าใจคาสอนนั่นก็เพราะว่ายังมีคนกล่าวประนามพระองค์ว่าสอนคนให้สันโดษมักน้อยไปกล่าวตูว่าสอนให้งอมืองอเท้าให้ขี้เกียจขี้คร้านแต่แท้ที่จริงเราไม่เข้าใจคำสอนของพระองค์ตังหาก สิ่งใดที่พระองค์สอนมานี่ปุเพนิวาสานุสติยานจตูปปาตายานเป็นหลักฐานในคาสอนของพระองค์พระองค์รู้เรื่องอดีตชาติของพระองค์พระองค์เคยเกิดเป็นอะไรเพราะบุญกรรมอะไรทำบาปสิ่งนี้ตายแล้วตกนรกพระองค์เคยทำสิ่งนี้ตายแล้วไปนรกมาก่อนเราแล้ ว, ลวทำบุญสิ่งนี้ตายแล้วขึ้นสวรรค์พระองค์เคยทำบุญสิ่งนี้ ตายแล้วขึ้นสวรรค์มาก่อนเราบำเพ็ญตบะบำเพญญ็ญฌานสําเร็จฌานสมาบัติตายแล้วไปเกิดเป็นพระพรหมในพรหมโลกทั้งสอย่างเนี่ยพระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้วได้ลองของมาแล้วไฟนรกมันร้อนพระองค์เคยเอาเท้าไปแห่มาแล้วสวรรค์มันเย็นเยือกพระองค์ก็เคยสัมผัสกับสวรรค์มาแล้วเพราะฉะนั้นคําสอนของพระองค์นี่เป็นสิ่งที่เป็นบาปเป็นบุญ มันเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ลองของมาแล้วทั้งนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ชนิดที่ว่านอนหลับแล้วฝันไปเตื่นขึ้นมาแล้วเทศสอนคนไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทดสอบมาด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นใครยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเชื่อพระองค์เอาไว้ก่อนรับฟังเอาไว้อย่าไปหัดลองของเหมือนพระองค์ลองแล้วอย่างเราเราเนี่ยไม่รู้หรอก เชื่อพระองค์ว่าพระองค์เคยลองมาแล้วทดสอบมาแล้วทุกอย่าง